กัาพเจ้าพระไพบูุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันพูดคุยเรื่องของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นบทบัญญัติที่พอดุบณญพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งเพียจชนะเป็นสิ่งที่จะพาพวกเราไปสวรรค์ไปนิพพานได้ ถาเราฟังเคยเห็นเวลาที่เขาฝึกหัดสัตว์จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตามสัตว์ที่ใช้ในการพาณิชก์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ใช้ในการลเล่นอะไรต่างบางทีเขาก็ใช้แท้บ้างใช้ให้มันอดบ้างให้มันกินบ้างคือมีการใช้อาจญาใช้ศาส ต, ตราในการที่จะฝึกสัตว์ประเภทนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ มาจากป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านตัวในบ้านก็นแล้วแต่แต่บางทีต้องตีมันบางทีต้องให้มันอดให้มันกินแต่คือมีการใช้อาทยาใช้ศาสตร์สัตว์นี้เพราะมันมีจิตมีใจเราจึงสั่งมันได้บังคับมันได้บอกมันได้นี่คือลักษณะของสัตว์ที่เราฝึกดีแล้วลก็จะบอกได้สั่งได้บังคับได้ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดู บางอย่างที่ไม่มีจิตไม่มีใจนะเช่นกระแสน้ำอย่างนี้เป็นต้นน้ำไม่มีจิตน้ำไม่มีใจแต่ว่าคนก็ยังสั่งบังคับให้มันมาทางนั้นมาทางนี้ไหลไปทางนั้นไหลไปทางนี้ได้เป็นลักษณะของฝายทดน้ำที่เอาน้ำเข้านาไดเอาน้าออกนาได้หรือว่าแม้แต่ลูกสอนในที่นายช่างสอนเนี่ยเขาสามารถที่จะดัดลูกสอนนี้ให้ตรงได้ แต่ถ้าใครเคยเห็นการกระทําลูกศรช่างลูกศรเขาก็จะต้องเอ า, เอาลูกศรที่ไม้ที่มันไม่ตรงเนี่ยไปลนไฟแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งดูนะด้วยสายตามันตรงหรื อ, อยังถ้ายังไม่ตรงก็ เ, เอาไปลนไฟดัดไฟลนไฟแล้วก็ดัดเพื่อให้มันตรงอีกเหมือนกับช่างไม้ด้วยเหมือนกันและช่างไม้เขาสามารถจะเอาไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อัดหรือไม้จริงมาแต่งทำเป็นโต๊ะเป็นตู้ นะเป็นล้อเกวียนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งของงานแกะสลักอะไรออกมาได้ทั้งๆ ท, ที่น้ำก็ตามลูกศรก็ตามหรือว่าไม้เนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีใจเรายังสั่งบังคับมันได้นะสัตว์มีจิตมีใจเรายังสั่งบังคับมันได้บางทีต้องใช้ด้วยใช้อาทยาและใช้ศาสตราแล้วทาไมจิตของเราเองเราจะสั่งบังคับมันไม่ได้ ทั้งๆ ท, ที่คําสอนของพระพุทธเจ้าที่ใช้ในการที่จะบังคับจิตของเราเนี่ยไม่ได้ด้วยอาทยาด้วยซ้ําไม่ได้ด้วยศาสตราด้วยซ้ําตากะความคิดตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นตากะความคิดของท่านพระองค์กุลิมานหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วนั่งสบายวิมุติสุขอยู่ก็มีความคิดในลักษณะนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบอุปมาอุปไม้กับของสามอย่างที่ไม่มีจิต ไม่มีใจแต่มนุษย์ก็ยังสามารถสั่งบังคับมันได้เปรียบเทียบกับสัตว์เป็นสัตว์ที่มีจิตมีใจเรายังสั่งบังคับมันได้บางทีต้องใช้อาจยาบางทีต้องใช้ศาสตราแต่จิตของมนุษย์ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจิตมีใจอยู่สามารถปฏิบัติสมณธรรมได้ทาความพยศทำความเผ็ดร้อนในใจให้ออกไปได้ โดยไม่ต้องใช้อาจยาด้วยซ้ำโดยไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ำโดยใช้คำสอนของรพระพุทธเจ้าทาไมเราจะยังไม่ทำนี่เป็นตะกะความคิดเต็มฝังที่ท่านพระองคุลิมานคิดได้รู้ในใจหลังจากที่ท่านบรูลุธรรแล้วตะกะเรื่องของอุปมาสามอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวเดียวกันกับที่ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตสา ม, มนเณรสุขะสา ม, มนเณร สังกิตจากสามเณรในเป็นเด็กน้อยอายุ7จ็ดขวบ8ขวบบวชเป็นสามเณรก็ยังสามารถเห็นตกกะความคิดในข้อนี้ได้ทุกฝั ง, งว่าทำไมทาไมไอ้สิ่งที่มันไม่มีจิตไม่มีใจเรายังบังคับมันได้แล้วทำไมเราเองผู้ที่มีจิตมีใจทำไมเราจะทำจิตทำใจของเราให้อยู่ในอานาจของเราแล้วปฏิบัติสมณธรรมปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาทำไมจะไม่ได้ ทั้งๆ ท, ที่เราสามารถสั่งบังคับจิตเราได้โดยไม่ต้องใช้อัจายาด้วยซ้ําโดยไม่ต้องใช้ศาสตราไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องบังคับแต่เราปฏิบัติทําได้ด้วยคําสอนของพระพรุทธเจ้าพุทธเจ้านะทูานฟังสามารถที่จะปราบพะยศของโจรองค์ุลิมนันในตอนนั้นท่านพระองค์ุลิมานเป็นโจรเป็นโจรชนิดที่เรียกว่าเป็นคนหยาบช้ามากและมีฝ่ามือเปื้อนเลือด มีใจมั่นในการปราดประหารในการฆ่าตีแตะไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งปวงเลย่ลช้างมาวัวควายคนมาเป็นกลุ่ม2030คนฆ่าหมดผ่านมาทั้งนี้เสร็จไม่เหลือแล้วก็เอานิ้วคนแต่ละคนนี่มาคล้องทําเป็นพวงมาลัยเอา ไ, ไว้คล้องคอเอาไว้ซึ่งเป็นโจรที่ทําความหวาดหวานพรั่นพรึงให้คนในสมัยนั้นมากเป็นเรื่องราวที่ทําให้ถึงกรับ พ ร, พระเาเปร์เซนที่โกรธโนี่ก็ยังมีความกังวลในมีความร้อนใจว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะทํำยังไงแต่พระพุทธเจสามารถที่จะปราบพยศเนี่ยปราบพยศของโจรองค์กุลิมานี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาทยาโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นเรื่องราวที่โจดจันกันมากในสมัยพุทธกาลที่พระพุชาบสามารถที่จะเอาโจรองค์ุลิมานี่ ที่มีฝ่ามือเพื่อนเลือดมีใจหยาบช้ามีใจมั่นปักใจมั่นในการประหารในการฆ่าตีเอามาบวชได้นั้นตรากาความคิดที่เกิดขึ้นกับท่านโจนองค์ฤษมานตอนนั้นน่นยังเป็นโจนอยู่ใ น, นที่ทําให้ละประโยชน์กลับใจได้ก็มีอยู่ 2- อสข้อด้วยกันซึ่งถ้าเราทําความเข้าใจในเรื่องตรกะความคิดกระบวนการทาความคิดของบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจว่า โอ้ขนาดว่าบุคคลที่มีความหยับช้าในมีใจมั่นปราดปรานในการฆ่าดีเอ้ยยังกลับใจได้ด้วยกระบวนการกันความคิดนะตั ก, กะความคิดของท่านอย่างนี้แตนะ่ซึ่งในที่นั้นเราก็อาศัยฤทธิ์ของพระพุทชาด้วยแตนะ่ซึ่งพระองค์ก็เดินไปธรรมดาแต่ด้วยใช้ฤทธิ์ทำให้จนองคุลีมาเนี่ยแม้วิ่งสุดกําลังก็ตามไม่สามารถที่จะติดตามพระองค์ไปได้เทันนั้นพระองค์ก็จะไป หาโจรองค์กุรีมานด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ก็มีชาวบ้านเป็นพวกนายพรานบ้างชาวนาบ้างคนเลี้ยงโคแ ร, รต่างที่เดินสวนมา 2- อสามกลุ่มแล้วก็พยายามเตือนว่าไอ้ทั้งนี้มีโจรอยู่นะขณะว่าคนรวมตัวกันย0่0ิบคนนล้วก็ยังเสร็จโจรองค์กุรีมาเลยท่านจะไปรูปเดียวอย่าไปเลยพระเจ้าก็นิ่งไม่ว่าอะไรนิ่งเดินไปจนกระทั่งสองรอบสารอบ ในรอบสุดท้ายก็ไปเจอโจนุ่งกุลิมานคือโจนุ่งกุลิมานเนี่เห็นมาแต่ไกลแล้วก็แอ บ, บเข้าไปทางด้านหลังแอบบเข้าไปทางด้านหลังด้านหลังของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ด้วยการใช้ริดทาให้โจหนุงกุลิมานวิ่งสุดกําลังก็จริงแต่ว่าไม่สามารถตามไปได้นุกลิมานโจนี้ก็เลยมีความความสงสัยว่าโอ้ช้างมา้าหรือว่าบัวที่มีกําลังแข็งแกรง่ง เราก็ยังวิ่งตามทันเอ๊ะทำไมสมณะคนนี้เดินไปธรรมดาเอ๊ะเราตามไม่ทันในที่นั้นโจนองคุลิมานก็เลยหยุดแล้วก็ตะโกนให้พุทธเจ้าหยุดหยุดจงหยุดก่อนบอกวพระพุทธเจ้ า, าอย่างนี้ในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสพุทธพจน์อันนี้ขึ้นมาซึ่งหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินอยู่นั่นบอกว่าเราหยุดแล้วองค์ุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดว่าอย่างนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้โจนองคุลิมานในขณะนั้นเนี่ย งงว่ะอา้าวทาไมหยุดได้ไงเรานี่หยุดเราหยุดวิ่งแล้วนี่ตัวเราองค์ุลีมาเนี่ยหยุดวิ่งแล้วแต่ท่านยังเดินอยู่ไหนบอกว่าตัวท่านหยุดแล้วเราเดอเรายังไม่หยุดก็เลยถามคําถามตรงนี้ไปปุโรชาก็เลยขยายเนื้อความให้นที่บอกว่าตัวพระองค์เป็นผู้ที่หยุดแล้วเนี่ยก็คือหยุดในการประชดประหารนะมีความสํารวมมีความกรุณา ในสัตว์ทั้งหลายวางอาดยาวางสัตตาในหยุดฆ่าสัตว์แล้วหยุดในการที่จะประพฤติผิดแล้วมีการสํารลุมอินทรีย์แล้วแต่ที่เราบอกว่าท่านยังไม่หยุดก็คือท่านหยุดเดินอยู่ก็จริงแต่ว่าจิตใจยังมุ่งมั่นในการปราดประหารยังไม่หยุดในการฆ่ายังไม่มีจิตที่มีความเอนดูกรุณาและยังไม่มีจิตที่คิดจะมีการสรํารวมก็เลยบอกว่ายังไม่หยุด แล้วนะพอพูดแค่นี้ท่านฟังองค์กุลิมาหในขณะนั้นก็เลยได้สติก็มีตรกกะความคิดอย่างนี้แต่ทนะ่านฟังพิจารณาให้ดีนะว่าพวกสมณะเนี่ยเป็นพวกที่ตั้งเทวดาและมนุษย์ก็บูชาแล้วแต่สมณะคนนี้นํามาถึงป่าใหญ่แห่งนี้เพื่อที่จะมาสงเคราะห์ตัวท่านองค์กุลิมาห์เองนะมาสงเคราะห์ตัวองค์กุลิมาห์เพื่อใหอ้พ้นจากความทุกข์ และการสงเคราะนี้น่ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกลัลลนันคิดอย่างนี้นะ่ตรงนี้มีนัยยะอยู่นะท่าน้ฟังคำว่าป่าใหญ่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆในอุปมาอุปไมยที่ท่านพระพุทธเจ้าเคยยกเอาไว้ในที่อื่นๆป่าเนี่ยเปรียบเสมือนสถานที่ที่เป็นดินแดนของมาร น, นะเป็นดินแดนของมารอันนี้คือเรากำลังพูดถึงอุปมาอุปไม้นะ แว่าบางทีก็พูดถึงป่าในลักษณะที่ว่ามีช้างอยู่ในป่าเอาช้างหลวงเข้าไปในป่าพาช้างป่าออกมาออกมาจากป่านั่นคือออกมาจากดินแดนของ ก, รรมกามคุณฮออกมาจากดินแดนที่เป็นที่อยู่ของม่นแต่สัตว์ป่าออกมาจากป่ามาสู่ที่โล่งกว้างที่โล่งกว้างในที่นี้ก็คือที่ที่ปราศจากกา ร, รพยาบาทเบียดเบียนออกมาสู่ในเมืองมีความเจริญ ก็คือไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนอันนี้จะเป็นนัยยะตรงกันข้ามกับทางด้านร่างกายทางภายนอกนะทางภายนอก พ, พุทธเจ้าแนะนำให้อยู่ป่าเป็นเศาสนะอันสงัดใช่ออกจากเรือนออกจากเมืองมาไปอยู่ป่าใช่แต่นัยยะภายในในใัยยะภายในป่านี่เปรียบเสมือนที่อยู่ของมารที่อยู่ของกาลมากุล5เอาออกมาจากป่ามาสู่ที่โล่งแจ้งที่โล่งแจ้งในที่นี้ คือที่ที่ปราศจากการปยาบาติเปีดเบียนนะเป็นที่ที่ปลอดภัยละแต่บางทีมันยังมีความพยศเสพผิดดิ้นรนของสัตว์ป่ายอยู่แล้วนะก็ค่อยๆฝึกเขาก็จะฝังเสาตะลุงเราไปในใ น, ในางแจ้งนั้นเราก็ปลูกเจ้าสัตว์เอาไวนะ้ซึ่งตรงนี้เป็นความลึกในธรรมะที่เกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าไอ้แค่บทนี้ทาไมทาให้ท่านองคุลิมานเนี่ยทิ้งอาวุธ ทิ้งลูกศรทิ้งธนูอะไรต่างๆไปแล้วก็บวชไดนะ้ซึ่งความเข้าใจในธรรมะตรงนี้ในใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีที่สั่งสมมาเหมือนกันถึงได้ที่จะควรจะมาอธิบายให้ฟังว่าป่าในที่นี้หมายถึงความรกชัดของจิตใจความรกชัดของจิตใจที่วุ่นวายถูกหลอกมึนตึงอยู่ของท่านองค์กุลีมาในขณะนั้นมาถึงในป่าที่วุ่นวายรกชัดในใจของเรางนี้ แล้วจะมาดึงเราออกไปนะเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าที่เทศสอนหรือว่าปายเองไปสอนเองนะไปถึงในป่ากนะ็คือเป็นช้างหลวงเป็นช้างหลวงเข้าไปในป่าเอาเชือกคล้องคอช้างป่าออกมาที่แจ้งแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันมาถึงในป่าอย่างนี้นะเพื่อที่จะมาสงฆ์ตัวเราเองซึ่งในที่นีนะ้ก็จะขยายความต่อไปตรงนี้ว่า แม้แต่สัตว์ป่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์บ้านก็นแล้วแต่เขาจะฝึกมันเนี่ยเขาก็ยังผูกมันเอาไว้นะครับเสาเขือ่อนเสาหลักเหมือนสัตว์ป่าช้างป่านี่คุณเอามาจากป่าแล้วคุณก็ผูกมันเอาไว้กับเสาตะลุงแล้วก็ฝังเอาไว้ให้ดีนะมันก็หนีไปไม่ได้มันก็จะฝึกได้นะเอาสัตว์6กชนิดมาเอาลิงเอาจระเข้สุนัขจิ้งจอกเป็นต้นพวกนี้มาผูกไว้กับเสาเขือ่อนเสาหลักมันก็ยังอยู่ตรงนั้นได้ แล้วจิตของเราจิตของเราแล่นะทาไมเราจะฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วคําสัอนของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้อาจญาไม่ต้องใช้ศาสตราก็ยังฝึกได้ทําไมเราจะไม่ฝึกเนี่ทําไมเราจะไม่ฝึกทําไมเราจะไม่ทําจิตใจของเราที่เป็นสิ่งที่มีจิตเป็นสิ่งที่มีใจให้มันดีขึ้นมาได้ทําไมเราจะไม่ทําเป็นตรกะนะท่านฟังเป็นความคิดที่ข้าพเจ้าสนิทฐานว่า พระองค์กุลิมานก็คงจะมีตรกกะความคิดในลักษณะเดียวกันกับท่านสังกิตจารสามเสนสามเณรบัณฑิตหรือว่าสุขะสามเณรก็ตามที่มีตรกกะความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ย hey, จิตเราน่าจะฝึกได้นะน่าจะทําให้ดีได้นะอา้าเคนที่จะฝึกเรามาถึงที่นี่แล้วทําไมเราจะยังไม่ฝึกก็เลยฝึกสัง่งก็เลยมีความคิดที่ว่าเอางั้นฉันจะละบาปซะนะฟังธรรมะคถานี้แล้วโยนอาวุธทิ้งอะไรทิ้งเราก็ออกบวช นะภาวะแห่งการบวชของท่านพระองค์กลิมาเนี่ก็น่าสนใจนะักเรียกว่าเป็นเอหิพิคุอุปสัมปทาคือพระรชาบวชให้เองนะักก็เลยกราบทูลขอพรชาว่าขอบวชในที่นั้นท่านฟังหลองกิดดูถ้าสมมติในสมัยปัจจุบันนะโจรออกมาจากคุกใหม่ๆลอยสักเต็มตัวพระบางองค์ไม่ให้บวชทําไมโอต้องดูพฤติกรรมคุณก่อนแล้วหรือบางทีอาจจะสร้างความเสื่อมเสียไม่ให้บวชบางทีบวชยากด้วยซ้ําสําหรับ คนที่เคยติดกุกมาหรือคนที่เคยมีคดีความมาแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยความกรุณาที่สุดไม่ได้แต่ด้วยเขาคงจะเล็งเห็นอะไรบางอย่างในคุณสมบัติของท่านองค์กุลิมานจึงอนุ ญ, ญาตให้บวชและด้วยการบอกว่าจงมาเป็นภิกษุแพอบอกงี้ปุ๊บในที่นั้นท่านองค์กุลิมานก็เลยได้ภาวะความเป็นภิกษุขึ้นมาเพราะเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ปฏิพฤติธรรมปฏิพฤติสมณธรรม ด้วยการสมาทานทุดงกวัฏนะซึ่งหมายถึงนะธรรมที่บุคคลทาได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งนะมีการห่มผ้าบางสกุลมีการไปบินธบาตเป็นปกติมีการอยู่ป่ามีการที่ใช้ผ้าสามผืนในขณะที่ท่านพระองคุลิมานีนะ้ประพฤติสมณธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิตัวเองก็มีข้อปฏิบัติเรื่องของศรรีลสมาธิปัญญา นะรักษาทุดงกวัตรด้วยนะซึ่งในตอนนั้นท่านพระเจ้าประสเสน ท, ทิโกศ น, นก็วางแผน ล, ละว่าจะไปกำจัดเจ้าจนองค์ุลิมานโดยที่ยังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เทศสอนแล้วก็ให้มาบวชเป็นภิกษุแล้วแล้วนะก็ตอนนั้นนะกษัตริย์ก่อนที่เขาจะไปออกรบหรือว่าไปสู้ศึกเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนกับลักษณะว่ามาขอพอรพระพุทธเจ้าก่อนนะคือมาหาพระพระุทธเจ้าในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลย พุทธาปราสายแล้วก็ทราบความที่ประชาเปอร์เซนที่โกศลเนี่ยจะไปปราบโจนองค์กุลิมานก็เลยบอกนี่ไงองคุลิมานนั่งอยู่ที่นี่นะซึ่งไม่ได้นั่งไกลาจากพระพุทธาเท่าไหร่ก็เลยมีความตกใจเอา้าเป็นไปได้ยังไงมาอยู่ที่นี่่นะคนเราจะไปฆ่ากันอยู่แล้วคิดดูแล้วกันท่านฟังจะไปฆ่ากันอยู่แล้วนะรู้กิติศัพท์มาแล้วว่าทั้งความเร็วทั้งกําลังของโจนองค์กุลิมานนี่เป็นยังไงแตนะ่ปรากฏว่า มานั่งอยู่ตรงนี้น่ะมีผู้สงบส ง, งียมมีศีลปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดอยู่ก็เลยเป็นไปได้ยังไงน่ะทั้งตกใจทั้งกลัวด้วยซึ่งในที่นั้นพระเจ้กาก็ยืนยันว่าอ่ะไม่มีภายใดใดจากท่านองคุลีมานี้แล้วน่ะก็เลยไปทำความคุ้นเคยด้วยการถามชื่อมารดาบิดาอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมในสมัยก่อนในธราฝังที่ว่าเอ่อจะเรียกบุคคล น, นั้นเนี่ยตามชื่อของมารดาบิดา่เป็นการให้เกียรติกัน ในะซึ่งท่านพระองค์ุลิมานก็มีบิดาชื่อคัคกะและมารดาชื่อมันตนีท่านพระชาเปรสเซนที่โกศลก็เลยเรียกตามธรรมเนียมเรียกว่าคขมนตนีบุตรเพริณท่าเราเคยอาจจะเคยได้ยินในะชื่อของท่านพระองค์ุลิมานอีกชื่อหนึ่งในะชื่อเป็นทางการน่นแหละเขาเรียกว่าคขนะมันตนีบุตรแต่ชื่อเรียกว่าเป็นชื่อแฝงในะชื่อเล่นก็คือองคุลิมานซึ่งองค์คุลิมานก็คือเอานิ้วมือเนี่ย มาทําเป็นสร้อยคอมาคล้องคอเอาไว้มาละก็คือเป็นเหมือนกับพวงมะลัยอาคาคก็คือนิ้วนั่นะก็คือเอานิ้วมือมาคล้องเป็นรพวงมะลายคล้องคอเอาไว้นะเป็นฉา ย, ยาที่เขาตั้งให้ตั้งแต่ตอนที่เป็นโจรนะซึ่งบางทีเราก็จะเรียกว่าคัะมันตานีบุตรอันนี้เป็นชื่อที่ถูกต้องของท่านนะแล้วก็ท่านพระพเจ้าเปรตดิโคโสนก็ประวรณาในการที่จะถวายปจัจจัยสีอันกวนแก่สมณเจะบริโภคเรื่องนี้ทําให้เกิดความ อัศจรรย์ใจขึ้นกับพระเจ้าพระเศนที่โกศลนเ่อนะที่ว่าสามารถที่จ ะ, ะทรมานหรือว่าข่มขี่หรือว่าที่จะปราบประย์บุรุษนะ่ยซึ่งไม่สามารถที่จะใครๆไม่สามารถที่จะปราบประย์ได้ข่มขี่ไดนะ้หรือว่าทําให้สงบลงได้คนอื่นที่จะไปทําจะไปแก้ปัญหานี้ก็พยายามที่จะใช้สาราใช้อาจยาแลนะก็ยังทําไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถทําได้ แายคมขี่ปรับว่าธาตเป็นค่าศึกได้สามารถที่จะปรับพยศของจนองค์กุลิมาได้หรือของใครๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้าโดยที่ไม่ช่องใช้อาจหยาด้วยซ้าอันนี้มีความมาศจร่์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่เท่าคนอื่นแต่ตัวเราเองมีความพยศความเสียผิดดิ้นรนนะซึ่งซึ่งเป็นทิฏฐิที่ไม่ดีทิฏฐิที่ไม่ถูก นักคนอื่นจะด่าจะว่าใช้อาจยานะหรือบางครั้งถึงใช้ศาสตราก็ยังไม่สามารถที่จะข่มขี่ไอ้ความเสพผิดดิ้นรนนี้ไปได้แต่พอเรามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะอันประกาศไว้ดีแล้วเราเพบว่าไอท้ทิฏฐิอันลามกความเสพผิดดิ้นรนความเห็นที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นสามารถที่จะละไปได้โดยที่มันต้องใช้อาจยาโดยที่มันต้องใช้ศาสตราท่านผู้ฟังลองคิดดู แม้แต่ท่านพระองคุริมานเป็นโจรนะความเสพผิดดิ้นรนสิ่งที่เป็นพยศในใจออกมามากถึงขนาดที่ว่าต้องฆ่าคนทำสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วไอ้ความเสพผิดดิ้นรนของเราความพยศของเราความไม่ดีของเราความชั่วช้าลามกของเราที่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้อาจไม่ต้องถึงขนาดว่าออกมาร้ายแรงร้ายกาดถึงขนาดต้องฆ่าคนแต่ว่าอาจทาผิดบ้าง เถียงคนนั้นเถียงคนนี้บ้างทำไม่ดีกับพ่อแม่บ้างด่าคนนั้นด่าคนนี้นินทาให้ร้ายรับหลังอะไรต่างๆ่างไอ้ความเสพผิดดิ้นรนตรงนั้นมันละได้สิโดยที่ไม่ต้องใช้อายาด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยสัตว์จี๊ ด, ดูสุนักช้างมา้าวัวควายพวกนี้ยังฝึกได้ฝึกได้แต่ว่ามันต้องใช้อา ญ, ญาใช้ศาสตรานะน้าลูกศร ไม้ช่างไม้เขายังเอามาขึ้นรูปทําเป็นตู้ทําเป็นโต๊ะสวยงามออกมาได้น้ำเขายังวิ่ขึ้นเข้าผื้นนาหนัหนกั้นเขื่อนมีน้ําเยอะแยะแต่เขายังบังคับน้ําได้ลูกศรช่างสอนยังดัดได้ทั้งทั้งที่เจ้าสิ่งเหล่านั้นไม่มีจิตสิ่งเหล่านั้นไม่มีจิตยังสั่งบังคับได้ยังทําให้มันเป็นอย่างนั้นทําให้มันเป็นอย่างนี้ได้สัตว์มีจิตยังบังคับมันได้ ด้วยการใช้ศาสตราบ้างด้วยการใช้อาจยาบ้างแล้วเราเองผู้มีจิตทำไมจะไม่ทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้แล้วเครื่องมือที่จะทำจิตขอเราให้อยู่ในอำนาจได้นั้นไม่เทพเป็นอาวุธไม่ได้เป็นศาสตราไม่ได้เป็นอาจยาแต่เป็นธรรมะเราใช้ธรรมะที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราสามารถทำจิตให้อยู่ในอำนาจได้ทาไมเราจะไม่ทาทำไมเราจะไม่ทำ มันไม่มีเหตุผลใดๆเลยท่านฟังที่ทําไมเราจะไม่ทําไม่ประพฤติสมณธรรมไม่ทําไม่นําเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาจิตใจของเราไม่มีเหตุผลใดๆท่านฟังนี่เป็นตร ก, การความคิดของท่านพระองค์กุลิมาในความหมาของเขาพระเจ้ า, านะที่ทําให้ท่านออกบวชท่านประพฤติสมณธรรมนะจนสุดท้ายบรรลุเป็นพระอารหาันต์ได้ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าสนทนากับโจรองค์กุลิมา ต, ตอนนั้นก่อนบวช ไม่พอห้านาทีด้วยซ้ําคิดว่านะ ก, ก็ทําให้ท่านออกมาบวชได้แล้วพอท่านออกมาบวชนะออกมาจากป่าแล้วนะมาสู่ที่โล่งกว้างกลางแจ้งแล้ว ก, ก็ฝึกปฏิบัติในระยะเวลาต่อมานะ ก, ก็บรรลุเป็นพระอารหาันต์ได้ซึ่งในช่วงที่ท่านบวชมาแล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือว่าระหว่างทางที่ท่านไปบินตบนะ ก, ก็ได้เจอหญิงต้องแก่คลอดยากคลอดลาบาก ก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้พุชาฟังพระชาก็เลยให้ไปช่วยโปรดหญิงที่ท้องแก่คลอดยากคนนี้ในด้วยการแสดงวาจาสัตว์ของตนเองว่าตั้งแต่เราเกิดมาในอริยชาติเกิดมานี้ไม่ได้แกล้งปลงสัตว์ให้จากชีวิตเลยซึ่งคําพูดของพรชาเนี่ยบางทีมีความหมายลึกเราต้องตีความฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจเราต้องพิจารณา ในกรณีนี้ก็เหมือนกันแตนะ่ท่านพระองค์ุริมาตอนนั้นออยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าบวชออกมาแล้วนะได้บอฟังไว้ตั้งแต่เราเกิดมาเอาอยี้เราเกิดมาเราฆ่าสัตว์ฆ่าคนนี่เป็นพันพันคนนะเป็นพันคนเกินกว่าพันคนแล้วแล้วทําไมถึงบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่ได้แกล้งโปร่์จากชีวิตแตนะ่แต่ในระยะนี้พุะรูชาหมายถึงการเกิดในอริยชาตินะการเกิดใหม่ที่เรามารู้ธรรมนี่แหละท่านผู้ฟัง การเกิดใหม่ตรงนี้นะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคือการเกิดในชีวิตของธรรมะการเกิดในกรณีของวิวัตตนะ์บิดามารดาที่ให้กําเนิดเราในวัตต์มีเยอะแยะนะวัตต์วนนี้มันมีเท่าไหร่คุณเอาดินมาเอาดินมาปั้นปั้นเป็นก้อนเท่าก้อนเล็กๆนะประมาณสักไม่เกินนิ้วหนึ่งซึ้นผ่านศูนย์กลางเอาวางไว้นี่เป็นพ่อของเรานี่เป็นพ่อของเร า, น, เ น, ออเรานี่เป็นแม่ของเราจนกระทั่งดินหมดโลกเนี่ย มานดาของมานดาของมานดาของบิดาของบิดาของบิดาก็ยังไม่หมดแต่ว่าดินในโลกนี้จะหมดซะก่อนแต่บิดาที่เป็นในวิวัตตะของเรานั่นคือพรุทธเจ้าแต่บางคนอาจจะคิดว่าครูบาอาจารย์ที่เคยพร่ำสอนอบรมเรามาเป็นเหมือนกับพ่อของเราเป็นบิดาของเราแต่ท่านเหล่านั้นก็มีบิดาก็คือพรุทธเจ้าเหมือนกันแตครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเราก็มีบิดาคือประพุทธเจ้า เป็นลูกนะที่เกิดจากโอทคือเกิดจากปากของบระุทธเาเป็นลูกที่เกิดจากอกของบระุทธเาเกิดจากใจนั่นเองแต่ว่าพอตอนนี้พ่อเราไม่อยู่แล้วนะคือพระพุทธาไม่อยู่แล้วเราก็ยกเอาพี่ของเรานะเป็นพ่อด้วยเป็นพี่ด้วยนัในตุกคนเดียวกันทั้งหมดนะซึ่งกรณี้ก็เคยเกิดขึ้นกันหลายๆคนนะบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมีแต่พี่ชายหรือพี่สาวก็ยกเอาพี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ ทั้งพี่ด้วยในคนเดียวกันแต่ก็ลักษณะนั้นท่านพระองค์ุลิมานนะพอได้เกิดใหม่ในอริยชาติเกิดใหม่ในวิปัตตะอย่างเาเรีกวยกว่าบิดาในวิปัตตะก็ไมเ่เคยแกล้งโปรงสัตว์จากชีวิตก็เลยให้ด้วยความสัตว์นี้ก็ขอความสวัสดีจงมีแก่หญิงผู้มีคันแก่นั้นแต่ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นประเพณีว่าเออไปสวดองค์ุลิมานสูตรให้หญิงท้องแก่ฟัง เนจะได้คลอดง่ายก็มีแตนะ่ซึ่งนี้ก็เป็นความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งไปเราจะยกเรื่องนี้นไปก่อนแนะสิ่งที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจนั่นะคือตรกะความคิดของท่านพระองคุลีมานนะตั้งแต่ตอนเป็นโจนอยู่ในะในการที่จะออกจากป่ามาจนะมาสู่ที่โรงแจ้งในการทำความเพียรฝึกจิตของตนเองนะโดยมีความคิดว่าแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะเช่น ไม้ลูกศรหรือว่าน้ำเนยก็ยังสามารถคนก็ยังสามารถสั่งบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้แม้แต่สัตว์เนะจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตามสัตว์ป่าก็ตามเราก็ยังสั่งบังคับมันเนะให้เป็นไปตามทําหน้าที่ตามที่เราต้องการได้โดยการใช้อัดยาบ้างใช้สัตว์ราบ้างนะตะโกนด่ามันบ้างนะใช้อาวุธบ้างในการที่จะให้มันทําตามคําสั่งของเราแล้วทําไมจิตใจของเราเองท่างฝั่ ง, งทําไมจิตใจของเราเอง ที่เป็นตัวที่มีจิตเป็นตัวที่มีใจเหมือนสัตว์เนี่ยเหมือนสัตว์ทั่วไปจะมาทําจิตนี้ให้อยู่ในอํานาจได้แล้วสิ่งที่จะมาทําจิตให้อยู่ในอํานาจได้นี้ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ศาสตราไม่ใช่อาทยาใดๆแต่เป็นธรรมะที่ปราศจากอาวุธปราศจากศาสตราปราศจากอาทยาใดๆจะมาทําจิตให้อยู่ในอํานาจได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะเราจะต้องทําได้ก่อนนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชั่วช้าขนาดไหนตามูฟังถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องราวที่เราทำไม่ดีมาก่อนเป็นเรื่องราวชั่วช้าลามกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราแก้ได้เราแก้ได้ไดฝึกได้ทำได้เปลี่ยนแปลงได้ใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ไม่ดีมาเป็นคนดีเราต้องให้โอกาสเราต้องให้ความสำคัญเราต้องยกย่องเชิดชูสนับสนุนด้วยซ ตัวเราเองยังมีสิ่งที่เสพผิดดิ้นรนอยู่เราแก้ไขซะเราทำได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไปบุญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เหมวันพรุ่งนี้เจริญพน